คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับลูกแต่ว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนนะจะเป็นทุกข์มากเท่ากับพ่อแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นนะหรือว่าหนุ่มสาวเดี๋ยวพราะในยุคปัจจุบันนะมีพ่อแม่หนระือพ่อแม่ที่หลายคนมาหามาปรึกษาความทุกข์ของแม่ในเวลานี้เนี่ยอันดับหนึ่งก็ คงเป็นเรื่องที่ลูกเนี่ยไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่รวมหลายคนก็ถามว่านี่จะทํายังไงจะให้ลูกเชื่อฟังพ่อแม่ได้ต่อมาก็มักจะแนะนําไปว่าก็เริ่มต้นจากการที่พ่อแม่น่ยฟังลูกก่อนหรือฟังลูกให้มากๆเพราะว่าที่ลูกเนี่ยไม่เชื่อไม่ฟังพ่อแม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการที่พ่อแม่นี่ไม่ค่อยได้ฟังลูกเท่าไหร่ ตอนที่ลูกยังเป็นเด็กนะมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะถ้าพ่อแม่นี่ไม่ค่อยฟังลูกพ่อแม่ก็สามารถที่จะสอนบังคับหรือว่าจำจีจำาัยลูกลูกไม่มีปากไม่มีเสียงยังไงมันก็ไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่าลูกยังเด็ก วางง่ายสอนง่ายแต่ว่าพอลูกโตเป็นวัยรุ่นหรือหนุ่มสาวแล้วนี่ถ้าพ่อแม่ยังทำกับลูกเหมือนกับที่ลูกยังเป็นเด็กคือเอาแต่สั่งเอาแต่สอนเอาแต่บังคับจาตีจำาจไม่คิดจะฟังลูกเนี่ยลูกก็ตอบโต้โดยการไม่ฟังพ่อแม่ดฉงนั้นพ่อแม่นี่จะ ถ้าคิดจะไปเปลี่ยนลูกเนี่ยให้ลูกเนี่ยฟังพ่อแม่มากขึ้นในขณะที่พ่อแม่ก็ยังทำตัวมันเดิมมันก็คงไม่ได้ผลลูกก็ยิ่งดื้อดึงมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ประหาของลูกมันไม่ใช่แค่ดื้อดึงเนเดี๋ยวนี้ก็ถึงขั้นว่าคิด นอกกรอบหรือว่าประพฤตินอกรูนอกทางหรือทีเดียวครึ่งมันก็เชื่อมโยงกันนะเพราะการที่พ่อแม่เห็นลูกเนี่ยคิดนอกกรอบหรือว่าคิดไม่ถูกระเบียบไม่สนใจกฎเกณฑ์ประพฤติตัวนอกรูนอกทางในสายตาของพ่อแม่พ่อแม่พยายามสอนพ่อแม่พยายาม จําจีจําชัยหรือแม่กระทั่งบนว่าลูกกับทำหูทวนลมแต่ว่าหูทวนลมก็ยังดีนะส่วนใหญ่ก็ทำหนักกว่าเดิมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นหรือหนุ่มสาวนี่ก็เรียกว่าคิดสวนทางพ่อแม่ประเพศร้อยแปองศารือก็มียังมีพ่อแม่หลายคนมาปรึกษาว่าทำไงดีเดี๋ยวนี้ลูกบอกว่าเนี่ยลูกเนี่ย ไม่จาเป็นต้องตอบแทนคุณพ่อแม่ก็ได้เพราะลูกไม่ไหนเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่โอ้ยพ่อแม่หลายคนช้ำใจมากเพราะนี่มันคือความอากตันอยู่เป็นความคิดที่เรียกว่าสวนทางกับสิ่งที่ถูกต้องชอบทำไอ้ทีแล้วได้ยินบ่อยๆนะวัยรุ่นนะ่ะหรือแม้แตหนุ่มสาวบอกว่า พ่อแม่ไม่ได้มีบุญคุณในเรื่อตัวเองและตัวเองก็ไม่ได้จําเป็นเรื่องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นี่เรียกว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่นี่หรือคนทั่วไปผู้ใหญ่ทั้งหลายนี่นึกไม่ถึงนะแล้วกเกิดอาการเป็นห่วงหรือถึงกับ เกิดความรังเกียจนะจงเกลียดจงชังเลยนะาทไมมันคิดได้แบบนี้่จริงแล้วเนี่ยอาการที่ว่านี่มันอาจจะเกิดจากการที่วัยรุ่นลุ่มสาวนี่เขาต้องการประท้วงพ่อแม่ก็ได้อาจจะประท้วงพ่อแม่บางคนที่เรียกร้องคาดทันให้เขาต้อง นึกถึงบุญคุณพ่อแม่ก็มีนะพ่อแม่หลายคนที่กลัวลูกจะทิ้งในยามชาราก็พยายามพูดย้ำถึงขั้นเป่าหูว่าเนี่ยลูกมีหน้าที่ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พอลูกเนี่ยเจอการคาดขั้นหรือการเรียกร้องแบบนี้บ่อยๆเข้ามันก็เลยเกิดการต่อต้านขึ้นมา เป็นตรงกันข้ามเลยบางคนนี่ก็บอกว่าเนี่ยนะทำไมต้องตอบแทนคุณพ่อแม่ด้วยนะฉันไม่ได้อยากจะเกิดมาในโลกนี้แนละพ่อแม่ถามฉันก่อนหรือเปล่านะถามฉันก่อนหรือเปล่าตอนที่จะให้ฉันเกิดมาเนี่ยคนที่ป่วอย่างงี้เนี่ยเพราะว่า ส่วนพ่อเขามีความทุกข์แล้วพ่อก็มีความทุกข์ก็โทษพ่อแม่ว่าเป็นพ่อพ่ อ, พอแม่ทําให้เขาเกิดมาจริงมันก็เป็นความคิดที่จะเรียกว่าไม่ถูกต้องเพราะเวลาทุกข์ก็ไปโทษพ่อแม่แต่เวลามีความสุขไม่เห็นขอบคุณพ่อแม่เลย เวลาตัวมีความสุขจากการที่ได้กินได้เที่ยวได้ดื่มได้สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ไม่เคยขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้เกิดมาเลยแต่เวลามีความทุกข์ก็ไปโทษว่าเนี่เป็นพ่อแม่ทําให้ฉันเกิดมาไอ้แบบนี้ก็มีนะถึงขั้นฟ้องฟ้องศาลเลยนะว่าฟ้องที่พ่อแม่เนี่ย ให้กำเนิดตัวเองโดยที่ไม่ถามความเห็นเข้าซะก่อนแบบนี้ก็มีนะอันนี้ก็มีแล้วเคสแบบนี้ประเทศอินเดียแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่อินเดียอย่างเดียวนะในนี้คนหนุ่มสาวทั่วไปก็ก็พูดกันแบบนี้ให้ได้ยินมากขึ้นว่า พ่อแม่ไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับตัวเองและตัวเองก็ไม่ได้มีหน้าที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดินมองง่ายหนึ่งนะสำหรับหนุนสาวจนไม่น้อยเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเท่นะถ้าคิดแบบนี้เพราะว่ามันคิดไม่เหมือนใครเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่เหมือนใครนี่ก็ถือว่าเทแล้วต้องทำอะไรแตกต่างจากคนอื่นเวลาคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่น ก็จะรู้สึกเท่หรือถ้าเกิดว่ามันเป็นกระแสที่ความคิดที่แพร่หลายไปในหมู่คนทั่วไปก็รู้สึกว่าน้อยหน้านะถ้าไม่ได้คิดแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจนะว่าเขาก็เด็กวัยรุ่น ก, ก็ต้องมีความคิดแบบนี้แล้วอย่างน้อยก็ช่วงหนึ่งของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพราะต้องการประท้วงพ่อแม่หรือเพราะว่า ต้องการทำให้ใครๆรู้สึกว่าตัวเองนี่ก็ทันสมัยมีความคิดแบบแนวนะทวนกระแสแต่ว่าถ้ามอยดีๆเนี่ยนะคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเวลาเด็กเขามีความคิดแบบนี้เนี่ยบางทีต้องย้อนกลับมามองตัวเองนะว่าเราเลี้ยงลูกอย่างไร ทำให้ลูกเนี่ยมีความคิดแบบนี้หรือ ม, มีพฤติกรรมแบบนี้เดี๋ยวนี้เวลาเจออะไรไม่ถูกใจก็มักจะโทษคนอื่นแต่ลืมหันมามองตัวเองไม่ได้มองว่าเนี่ยนี่เป็นปฏิกิริยาต่อการกระทำของพ่อแม่ซึ่ง อาจจะสร้างความอึดอัดหรือว่าสร้างความขับแคลนสร้างความทุกข์ให้กับเขาก็ได้จะเป็นไปได้ไหมว่าที่เด็กเนี่ยเขาแบบคิดนอกกรอบแบบทลายกรอบไม่มีชิ้นดีเนี่ ย, ยเป็นเพราะว่าเวลาเขา ทำอะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องในสายตาของพ่อแม่อาจจะผิดระเบียบผิดขนบพ่อแม่ก็ดุด่าว่ากล่าวโดยที่อาจจะไม่ได้ฟังเหตุผลของเขาก็าเลยต่อต้านนะจากการการที่นอกกรอบแหวกแนวเล็กๆน้อยๆ ก็กลายเป็นปฏิเสธกรอบทั้งหมดนะที่พ่อแม่นับถือยึดถือหรือว่ามาครอบใส่เขาปฏิเสธกรอบทั้งหมดเลยนะไม่ใช่แค่บางเรื่องบางมุมนะไม่จะเป็นเรื่องความกระตันยูไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายการครบเพื่อน หรือว่าการมีคนรักเนี่ยอะไรที่ดีที่ถูกต้องในสายตาของพ่อแม่เข้ากลับเห็นเป็นไม่ดีไปหมดหรือว่าไม่เข้าท่ามันก็เป็นธรรมชาติของวัยรุ่นอยู่แล้วนะที่เวลาถูกบังคับหรือว่าถูกจำจี้จำชัย หรือแม้กรทั่งคาดหวังเรียกร้องเนี่ยเขาก็จะเกิดการต่อต้านประท้วงแค่ประท้วงก็พอใจแล้วโดยที่ไม่ต้องมีเหตุมีผลก็ได้เมื่อทักเจ็ดสิบปดิปีก่อนมนมีหนังเรื่องหนึ่งนะที่ดังมากเลยนะในอเมริกามันชื่อว่าภาษาภาษาไทยในแปลว่า ขบถอย่างไม่มีเหตุผล Rebel without cause ดาราสแสดงนี่ก็ดังมานเจมส์ดีนเนี่ ย, ยคนชอบมากเลยนะวัยรุ่นนะเพราะว่ามันตรงกับจลิตหรืออารมณ์ของเขานะคือประท้วงหรือขบทแม้จะไม่มีเหตุผลก็ตามแต่ขอทำสักอย่างเพราะมันสะใจดี สาใจที่พ่อแม่บังคับเคี่ยวเข็นหรือคนรุ่นพ่อรุ่นแม่บังคับเคี่ยวเขน็นนั่นมันเกิดขึ้นในอเมริกาเมื่อเจปีที่แล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ล้าสมัยนะะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนี่ยจำนวนมากเลยนะที่จริงตั้งแต่นักเรียนชั้นมัธยมหรือปถมในซานี้ก็มีอาการประท้วงต่อต้าน ไม่ใช่พ่อแม่อย่างเดียวแต่รวมถึงกฎระเบียบหรือแม้กระทั่งกรอบศีลธรรมค่านิยมนะของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ชอบที่ถูกบังคับไม่ชอบที่ถูกเขี่ยวเข็นก็เลยต่อต้านซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะ ถ้าว่าผู้ใหญ่นี้เข้าใจนะว่าเอมเป็นธรรมชาติของของเด็กแล้วก็มันเป็นปฏิกิริยาต่อการเลี้ยงดูบางอย่างนะของพ่อแม่ก็อาจจะทำให้หันกลับมาดูว่าเอเรามีส่วนทำให้เด็กเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นที่ใช้อำนาจกับเขาชอบสั่งชอบจำจีจำชัย ทั้งๆ ท, ที่ปรารถนาดีก็เพราะว่าเราคือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่ไปเชื่อมันในความคิดของตัวมากเกินไปเชื่อว่าเนี่ยนี่ความที่แบบเนี่ยคือดีแต่งตัวแบบนี้คือดีนะหรือว่าต้องเรียนแบบนี้จึงจะดีมีความมั่นคงหรือว่าต้องคบเพื่อนแบบนี้เนี่ยถึงจะเหมาะถึงจะถูกต้อง รวมทั้งไปถึงว่าชีวิตที่มั่นคงมันต้องมีเงินมีทองต้องมีรถยนต์มีบ้านพอคิดแบบนี้แล้วเนี่ยและเชื่อมัน่นความคิดแบบนี้มันดีก็พยายามบังคับหรือว่ายัดเยียดสิ่งเหล่านี้ให้กันเด็กในตอนเป็นเด็กเล็กๆ ก, ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอเป็นวัยรุ่นแล้วเขาเริ่มต่อต้าน และนอกจากความที่ผู้ใหญ่ในมีความเชื่อมันในความคิดของตัวเองจนกระทั่งติดยึดในความคิดว่าอย่างนี้ถูกพราแมวยังติดยึดในภาพภาพของลูกวัยเด็กนะเลี้ยงเลี้ยงรูกมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะลูกก็น่ารักเชื่อฟังพอติดภาพนี้ลืมไปว่าเด็กเนี่ย ลูกของตัวเองมันโตเป็นวัยรุ่นแล้วไม่เหมือนตอนอายุ8ปเกขวบที่ยังน่ารักก็อยากจะให้ลูกเนี่ยยังเป็นเหมือนเด็ก8ปเก้าขวบทั้งที่เขาเป็นวัยรุ่นที่เป็นมีอะไรเป็นตัวของตัวเองแล้วเอาวิธีการเลี้ยงลูกหรือปฏิบัติกับลูกสมัยที่ลูกยังเด็กเนี่ยมาทํากับลูกตอนโตตอนวัยรุ่นมันก็ยิ่งเกิดผลนะในทางตรงข้าม วัยรุ่นหนุ่มสาวก็ไม่ยอมแต่ถ้าเกิดพ่อแม่เนี่เข้าใจนะว่าเออลูกงเติมมีพัฒนาการพอถึงไวัยเป็นวัยรุ่นแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าพ่อแม่จนมนมากเนี่ยยอมรับไม่ได้นะยังติดดึดกับภาพสมัยที่ลูกยังน่ารักยังเชื่อฟังพ่อแม่แต่ตอนนี้ทําไมไม่เชื่อฟังแล้วแถมเถียงอีกแล้วก็แถมประท้วง พ่อแม่ยอมรับไม่ได้เพราะยังติดกับภาพในอดีตก็เลยตอบโต้นะแช้อำนาจมากขึ้นแช้อนาจกับลูกมากคือลูกเนี่ยมันวัยรุ่นเนี่ยไม่ยอมใช้ไม่ยอมถูกกระทำอยู่แล้วด้วยอำนาจยิ่งตอบโต้เข้าไปอ่ะแรงมากก็แรงไปยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุอันนี้เป็นพ่อพ่อแม่ไม่เข้าใจลูกซึ่ง เขาไม่เหมือนเดิมแล้วเดี๋วพาวัยรุ่นจริงๆถ้าเกิดว่าฟังเขาสักหน่อยนะพูดคุยแล้วก็ฟังเขาความเขา้าใจก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากแต่พรพ่อแม่ไม่ค่อยฟัง เ, เพราะเชื่อว่าตัวองถูกฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนลูกวันนั้นเนี่ยไม่ต้องเถียงนะไม่ต้องคิดมากนะทำตามที่พ่อแม่สั่งทาตามที่พ่อแม่แนะนา ซึ่งมันอาจจะได้ผลนะตอนที่ลูกยังเล็กนะแต่พอลูกโตแล้วมันแบบนี้ไม่ได้ผลแล้วมันก็เกิดการต่อต้านแล้วก็ต่อต้านเนี่ยบางทีมันก็เข้ารถเข้าพงไปเลยนะเพราะว่าขอให้ได้ประท้วงขอให้ได้ต่อต้านจะถูกหรือผิดไม่รู้เนะี่ยต่อต้านเอาไว้ก่อนแล้จริงถ้าพ่อแม่เขาจายนะเออ ก็ไม่ไปโกรธเขานะที่เขาจะมีความคิดพิเรนพิเรนหรือมีการกระทําอะไรที่นอกรูนอกทางบ้างมันเป็นช่วงวัยที่เาเข้าใจกขาตั้งหน่อยนะเออมันก็คุยกันได้แต่พอไม่เข้าใจมันก็มีการตอบโต้กันแรงมาก็แรงไปสุดท้ายก็บางทีถึงขั้นทะเลาะบบาแยงตัดญาติเรียกว่าตัดพ่อตัดลูกหรือตัดลูกตัดแม่กันไปเลย อันนี้เพราะว่าผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจเด็กที่จริงผู้ใหญ่ก็อยู่ในฐานะที่ต้องเข้าใจให้มากขึ้นเพราะว่าเคยเป็นเด็กเคยเป็นวัยรุ่นมา ก, ก่อนตอนที่เป็นวัยรุ่นนี่ก็เถียงพ่อเถียงแม่ตอนที่เป็นวนนัยรุ่นก็ไม่เคยชอบพ่อแม่ที่ใช้อำนาจอะไรต่อต้านแล้วก็ต่อต้านนะแต่พอลูกทําอย่างนี้บ้างเนี่ยกลับไม่เข้าใจนนี้ือเป็นปัญหานะ รึ่งมันทำให้น่าคิดนะสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมีลูกห้าหกคนเจ็ดแปดคนแล้วพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกต้องทำมาหากินแต่ปรกว่าลูกแต่ละคนนี้ก็ก็เติบโตเป็นคนดีนะมีความกตัญญู พึ่งพึ่งพาตัวเองได้ไม่มีอะไรที่จะทให้พ่อแม่เป็นห่วงมากทั้งที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลแต่ทุกวันนี้นี่พ่อแม่นี่มีลูกกันแค่คนสองคนแล้วก็พ่อแม่หลายคนก็ทุ่มเทให้กับลูกมากมีเวลาให้กับลูกมากเหลือเกินเพราะลูกมีแค่ครั้นสองคนแต่ทําไมมันเกิดผลแบบนี้ขึ้นมาลูก นะกับมีพฤติกรรมนะต่างๆที่สร้างความทุกข์ใจให้กับพ่อแม่แอาจเป็นเพราะว่าพ่อแม่มีเวลามากไปก็ได้พอมีเวลามากไปบังคับลูกมากไปจำจีจำช้ยมากไปรวมก็เลยเกิดอาการหรือออกอาการแบบนี้ ในที่คนรุ่นก่อนนี่พ่อแม่ก็ไม่มีเวลาดูแลลูกก็เลยไม่ค่อยได้ใช้อํานาจกับลูกเท่าไหร่ลูกก็มีโอกาสที่จะมีสละเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องมาต่อต้านพ่อแม่เพราะพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลามาจาจีจาชัยกับลูกนะแต่เดี๋ยวนี้นี่ลูกนี่ต่อต้านพ่อแม่มากใครเป็นพ่อพ่อแม่นี่มีเวลาําจีจาชัยมีเวลาบังคับ เขี่ยเข็นลูกมากอันนี้ก็สันนิษฐานเรานะทำไมเป็นแบบนีน้ันนไะมพ่อแม่ทุกวันนี้ไปเขี่ยเข็นลูกไปบังคับลูกมากส่วนก็เพาะความคาดหวังนะคาดหวังลูกมากมากกว่าคนที่เป็นพ่อแม่สมัยก่อนนะคนพ่อแม่สมัยก่อนนี่แค่ให้มันให้ลูกมันเรียนจบนะก็พอใจแล้วไม่จบ ปริญญาก็ได้จบอย่างนั้นก็จบมัธยมแค่เอาตัวรอดได้ก็พอใจละพ่อแม่สมัยก่อนก็คาดหวังแบบนี้เพราะว่ามีลูกเยอะแล้วไม่ค่อยมีเงินทองมากที่จะดูหรือเวลาที่จะดูแลแต่พ่อแม่สมัยนี้โอ๊ยมีเงินมีทองมีแล้วก็มีความคาดหวังสูงเนี่ยยิ่งพ่อแม่ที่เป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นผู้จัด ก, การนี่ยิ่งคาดหวังลูกสูงมากทั้งในเรื่องการเรียน ทั้งในเรื่องของการเรียนต่อจะต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์ได้เข้ามาชนรายไปเมืองนอกได้เกรดสี จ, จะต้องมีชีวิตที่มั่นคงนะมีอาชีพดีๆนะคาดหวังสูงทาไมถึงคาดหวังสูงเพราะส่วนเขาอมีความห่วงใยมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเด็กไม่เก่งนะก็อาจจะอยู่ รอดได้ยางที่อยู่รอดได้ได้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะ ไ, ไม่ไม่ไม่สุขสบายเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่การแข่งขันมันน้อยแต่เดี๋ยวนี้การแข่งขันมันเยอะพ่อแม่ก็เลยห่วงลูกอยากจะให้ลูกดีก็เลยต้องเกิดความคาดหวังสูงพอคาดหวังสูงก็ไปบังคับลูกเขี่ยวเข็นลูกผลก็คือลูกตอบต้านอันนี้เป็นปัญหานะที่ คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเข้าใจว่าเป็นเพราะอาจเป็นเพราะเราไปยึดติดถือมั่นนะกับความคาดหวังตัวเองเกินไปไหมหรือว่าเชื่อมั่นในความถูกต้องของตัวเองหรือเปล่าไอ้ความยึดติดถือมั่นนี่มันแม้จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีก็สร้างก็สกอ่อให้เกิดโทษได้นะอย่างที่หลวงพ่อเฟื่องท่านบอกเนี่ยความเห็นของเราแม้จะถูกแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิด ความเห็นพ่อแม่อาจจะถูกนะแต่พอยึดมั่นถือมั่นมากนี่มันก็ผิดนะเพราะว่ามันนาไปสู่การกระทําที่สร้างปัญหาให้กับลูกสร้างปัญหากับวัยรุ่นเรื่องนี้น่าเสีดยดายที่พ่อแม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ยังไปโทษเด็กนะแล้วคิดแต่จะไปแก้ไขเด็กแต่ว่าไม่ค่อยได้หันกลับมาดูตัวเองว่าเป็นพ่อเราไปยึดมั่นถือมั่นนะกับความคิดของตัวเองเกินไปไหม ส่วท่าไปยุดติกับภาพอดีตของลูกนะว่าลูกจะต้องหน้ารักแ บ, บนมดแบบนี้ไม่ใช่มาเป็นเก่งมเรเ ก, กรเหมือยนกับทุกวันนี้ซึ่งมันก็เป็นการตีความของเราเองเพราะว่าสิ่งที่ดีของพ่อแม่อาจจะไม่ดีในสายตาของลูกก็ได้หรือสิ่งที่ไม่ดีในสายตาของแม่พ่ออาจจะเป็นสิ่งที่ดีในสายตาของลูกก็ได้ หลายคนคิดว่าเนี่ยลูกเขาไม่เป็นคนดีเลยอาจจะไม่ดีในไม่ดีแบบของเราก็ได้แต่จะดีแบบของเขาเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันมันเป็นช่องว่างนะที่ยากที่จะเชื่อมให้มันเข้ากันได้นะถ้าเกิดว่าไม่มีการฟังกันเรียนรู้หรือเข้าใจกันให้มากขึ้น